ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทางปฏิบัติอันประเสริฐของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25เมษายน2542ที่พุทธสถานสันติอสุขขอเชิญท่านติตารุกฝั่งได้ณนะบัดนี้ จเจริญธรรม ท, ทุกๆคนวันนี้เรามาพูดกันทึงเรื่องการปฏิบัติชีวิตประจาวันของเรากันดีนะการปฏิบัติชีวิตประจาวันของเราเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติชีวิตไปตามที่เราเองเราเป็นเรามีอยู่กับคนทั่วไปเขาเข้าใจอย่างไร อย่างชาวอเมริกันเขาก็มีวัฒนธรรมของเขานิแนวคิดมีความรู้สึกแต่มีความรู้สึกในใจของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นวัฒนธรรมของเขาอย่างนั้นอ่ะเขก็เข้าใจว่าอย่างนี้มันเป็นความถูกต้องทุกคนอย่างนี้ถูกต้องแล้วตรงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องทําอย่างนี้เขาก็เชื่อตามๆกันมาเป็นสิบปีร้อยปี200รปีเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่ในชาวกลุ่มหมู่ ของเขาเขาก็ทำอย่างนั้นชาวผีตรงเหลืองเขาก็ของเขาเขาก็มีความเข้าใจของเข า, ขเขากลุ่มของชาวของเขาลูกเต่าเหล่าล้านเกิดตำตาๆก็ลงมากี่รุ่นกี่รุ่สิบปีร้อยปีสองร้อยปีเขาก็ทำตาตามกันอย่างนั้นเขาก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะคือชีวิตมนุษย์เข้าใจอย่างนี้ กินอย่างนี้นอนอย่างนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้แสดงกิริยาท่าทางอย่างนี้มีคิดความคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ได้รับรสได้รับรสอย่างนี้รสอย่างนี้แหะคือความสุขได้รับสัมผัสอย่างนี้มีความสุขได้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้สุขอย่างนี้ทุกขอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างนี้ควรทํา เขาก็มีของเข้าไปทุกกลุ่มทุกหมู่แต่มาแยกให้ชัดมานุ่นเอาผีตองเหลืองไปคู่กับอเมริกันนมันคนเราฟากฝังเลยนะยกตัวอย่างสองอันเมื่อกี้นี้ให้ฟังคุณบางคนอาจจะไม่เข้าใจกลุ่มหมู่ผีตองเหลืองเขามีอย่างไรบ้างก็เดาเอาแล้วก็คนป่าคนเถื่อนที่อยู่ในป่า ไม่ต้องนุ่งผ้านุ่งผ่อนอะไรไม่มีบ้านไม่มีเรือนอะไรอยู่ก็ป่าไปเรื่อยๆตัดไปตองมามุงอยู่ใบตองมันเหลืองหน่อยก็ย้ายที่ไปเรื่อยไปเก็บอะไรกินไปอย่างนั้นไปชีวิตไปตามเรื่องตามราวส่วนอเมริกันเนี่ยเขาก็พัฒนามาจากกลุ่มคนที่ย้ายมาจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่มาอยู่ที่อเมริกา เสรแล้วก็มาวางรากฐานเงชนชุมชนแบบนั้นซึ่งคนพวกนี้เนี่ยชาวอเมริกันนี่เป็นคนที่รักอิสระเสรีภาพอย่างอังกฤษนี่เป็นเมืองสมบูรณาญาสิทธิราชและเป็นเมืองที่มีศักดินาเยอะมาเก่าทีนี้คนที่ออกมาจากอังกฤษมาอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นคนที่เบื่อแล้ว เบื่อลัทธิที่จะมีการมามีเจ้ามีนายมีคนสักใหญ่สักโตมีชั้นมีช่อมีเชิงมีอะไรอะไรมากมายรักความเท่าเทียมกันไม่ควรมีสักดินาไม่ควรมียศมีชั้นอะไรมากมายนักมีอิสระทางความคิดความอ่านอะไรอะไรมากมายอเมริกาจึงเป็นประเทศอาตมาว่า น่าจะเป็นประเทศแรกที่เกิดขึ้นมาโดยวิธีการเกิดจากบุคคลที่ไม่ต้องการที่จะมีอย่างนั้นทุกๆประเทศนะว่ากันจริงๆแล้วก็มีหัวหน้าเผา่ามีสักดินากันทั้งนั้นแหละทุกๆประเทศทุกๆแห่งแม้แต่เมืองไทยแม้แต่เมืองอะไรก็แล้วแตม่มีลักษณะอย่างนั้นทั้งนั้นทีนี้อเมริกานี่เป็นประเทศที่เขาค้นพบแล้วเปิดเปิดออกมาแล้วก็มีพลเมืองเข้าไปเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเลย พอปลดแอกจากอังกฤษได้เขาก็ระดมรัฐธิประเภทอิสระเสรีภาพเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นประเทศอเมริกามาเขาไม่ถือเป็นประเทศเขาถือเป็นสหรัฐมีรัฐมันกว้างมันใหญ่ก็รวมรวมกันเป็นสหรัฐแล้วก็บริหารปกครองกันโดยวิธีการแบบนี้มาอาตมาถือว่าเป็นประเทศแรกและเป็นประเทศเดียวนะ ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสมบุรณาญาสิทธิราชและมีพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็จะทั้งหมดพระเจ้าแผ่นดินไปแล้วก็กลายเป็นปกครองแบบมีประธานาธิบดีตามหลังมาเองอเมริกาไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยปกครองโดยสมุรณาญาสิทธิราชเลยเริ่มต้นปกครองบริหารก็มีประธานาธิบดีซึ่งคัดเอาไปจากประชาชน แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนประธานาธิบดีไปเอาจากประชาชนคัดเลือกกันขึ้นมาแทนเลยเป็นประเทศเดียวเป็นประเทศแรกอาตมาว่าเป็นประเทศแรกประเทศเดียวที่เกิดอย่างนี้จริงๆเลยจนทุกวันนี้มีประชากรถึง2 200กว่าล้านคนแล้วเขาก็มีแนวคิดของเขาอย่างนั้นมีอะไรแอะไรทางรัฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ทางสังคมศาสตร์อะไรต่างๆนานาแม้แต่การศึกษาเขก็เป็นไปอย่างนั้น และคนก็นิยมนะนิยมลักษณะนั้นแต่มันก็เป็นไปได้ยากถ้าว่าไปแล้วก็ทั่วโลกมันเคยมีพระเจ้าแผ่นดินมาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือพระเจ้าแผ่นดินอยู่อีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็มีสักดินนาซ่อนซอนอยู่ในเชิงของประชาชนอยู่ในจิตปิญญาณมาเลยหลายพันปีหลายหมื่นปีประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็แค่200กว่าปีเองเพิ่งเริ่ม ขึ้นมาพแค่200กว่าปีแต่คนก็ชอบลักษณะแบบนั้นคนก็ชอบแต่ประเทศอื่นๆไม่มีทีนี้พระพุทธเจ้าเรานี่นะอตมามองเห็นลึกๆว่าพระพุทธเจ้านี่มีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นอรักษณะอิสระเสรีภาพสุดยอดมา ก, ก่อนเหมือนกันแต่ถ้าทำไม่ได้ พราว่าโลกยังไม่มีอเมริกายังไม่เกิดแนวคิดแบบนี้ยังไม่มีได้ซ้ํายังไปสบูรณาญาสิทธิราชกันอยู่ทั่วโลกในตอนนั้นนะในตอนนั้นและคมานาคมก็ไม่ได้ติดต่อกันกว้างขวางอย่างทุกวันนี้เปิดประเทศก็ไปติดต่อกันเชื่อมโยงไปถึงในในกัมพูชาก็มาใช้ด้วยก็รู้กันแค่นั้นสื่อสารก็แค่แคบแคบอยู่ในแวดวงจะสักเท่าไหร่กันนะในแคว้นอินเดียก็ขนาดประมาณนั้น ทวีปอินเดียก็อยู่ขนาดนั้นก็สมบูรณ์ก็เก่งแล้วที่จะรู้ข่าวคราวกันในทวีปอินเดียก็รู้กันแค่นั้นในนั้นก็เหมือนกันในอินเดียทั้งหมดก็เป็นแคว้ควนแบ่งกันเป็นเจ้าแต่และแควน้นแต่และแค ว, วน้นแต่และ L, กลุ่มอีกเยอ ะ, ยอะแยะก็เป็นซ้อนชั้นอยู่ใครใหญ่ใครไม่ใหญ่ที่จริงพระพุทธเจ้าเองก็เป็นแคว้นเล็กๆถึงแม้จะเป็นแคว้นที่เป็นเจ้าส่วนตัวเอง พระเจ้าสุดโททนะเป็นเจ้าคลองแควกับบิรพัดก็ตามก็เป็นแคว้นเล็กซอนอยู่ในแคว้นที่มีแคว้นใหญ่ขึ้นไปอีกที่ดูในทีแล้วก็เหมือนกับจะเป็นส่วนที่จะต้องแข็งข้อไม่ได้มากมายแอคไม่ได้เขาปล่อยให้อยู่อิสระหรือปล่อยอยู่เขาไม่ไปต้องไปท่งสวยสาอากอน อ, อะไรต่างๆนานา ก, ก็ดีแล้ว ก็ได้แค่นั้นสรุปง่ายๆก็คือที่อาตมาพูดเดี๋ยวจะกว้างไปเดื่นี้จะยืดยาวมากไปก็หมายความว่าลักษณะของจิตวิญญาณลักษณะของวัฒนธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นนะก็ยังเป็นลักษณะของจิตวิญญาณที่เข้าใจอย่างไม่มีหรอกิอสารสาเิพาแบบอเมริกาที่อาตมาจิบอเมริกามาให้ฟังเนี่ย เพื่อเปรียบเทียบไม่เห็นชัดเจนเลยว่าของเขาไม่มีจุดเกิดจากลักษณะนี้เลยของมนุษย์เลยเป็นประเทศแรกที่แยกออกไปเป็นประเทศแรกที่เกิดมามีการบริหารปกครองรัฐศาสตร์แบบประชาธิปไตยไม่มีศ <c oughs> ักดินาแบบสมบุรณาญาสิทธิราชแม้จะเกิดเรื่องเป็นทาสก็ตามอยู่ในอเมริกาจะเกิดระบบทาสขึ้นก็ตาม ระบบท่าเขาก็พยายามปราบเกิดขึ้นมาเพราะว่าอั น, นั้นมันซอนชั้นอยู่อีกท่าเน่ยมันซ้อนชั้น อ, อีกเพราะว่าสิทธิส่วนบุคคลตอนนั้นยังไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้พูดกันว่าคนเนี่ยทุกคนจะต้องมีสิทธิส่วนบุคคลแต่ละคนกลายเป็นว่าคนเนี่ยเป็นสมบัติของใครที่จะมีอํานาจไอ้คนนั้นเป็นทาสของฉันได้เป็นคนของฉันฉันจะสั่งฆ่าหรือฉันจะสั่งเผาสั่งทําลายได้เหมือนกับวัตถุอ่า คนก็ตามเหมือนวัตถุก็ของฉันน่ะคนของนี้ของฉันฉันจะเผาทิ้งฆ่าแล้วก็ทําลายเผาทิ้งไปเลยมันก็ของฉันน่ะสิทธิส่วนบุคคลทุกคนควรจะเป็นเมื่อเกิดมาเป็นคนควรจะมีสิทธิส่วนบุคคลไม่มีใครมาลบหลู่เป็นเจ้าเป็นนาย บ, าบังคับเป็นทาสอย่างนั้นได้ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังเป็นระบบทาสอยู่ สมัยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชทั้งระบบทาตยังอยู่การที่จะบริหารประเทศให้มีอิสรเสรีภาพสมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าทำไม่ได้ยังทำไม่ได้นะทำไม่ได้ เพราะอำนาจใหญ่จริงๆนะอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชสั่งกุศหัวใครหรือว่าเจ้านายทาสนี่ก็เป็นแม้ไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เป็นเจ้านายที่มีทาามีบริวารทาสเหล่านั้นก็อยู่ในอาณ น, นาจจะสั่งฆ่าได้เหมือนกันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเหมือนเข้าของคนเหมือนเข้าของนในยุคนั้น เพราะฉะนั้ น, นพระพุทธเจ้าจะรักอิสระเสรีภาพเห็นแก่คนให้คนมีอิสระเสรีภาพสมบูรณ์ที่สุดอย่างไรอย่างไรท่านก็ยังทำอะไรไม่ได้จะให้เกิดแบบประชาธิปไตยอย่างขึ้นมานี่แค่ประชาธิปไตยนี้ก็ว่าอิสระเสรีภาพที่ดีงามอันนึงแล้วก็ยังทำไม่ได้ในยุคนั้นท่านก็ได้แต่สอนไว้มีเชิงชันมีวิธีการมีภาษามีอะไรแต่อเอาไว้สอนเอาไว้ ทิ้งเอาไว้จน 2,500 กว่าปีมาถึงยุคนี้ก็พัฒนาสังคมพัฒนาขึ้นมามาเป็นสังคมประชาธิปไตยสังคมอิสระเสรีภาพสิทธิมนุษยชนชัดเจนขึ้นมาระบบทาสเลิกไปได้ทั่วโลกแต่มันก็ยังติดเชื่อมาอยู่อย่างนั้นแหละพอสมควรแต่ว่าไปทำอะไรตามอาเภอใจแม้จะเป็นคนใช้คนที่ เป็นธาตุเป็นอะไรก็ตามใจในเชิงซ้อนๆ อ, อยู่ก็ตามคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องไปทำร้ายทําลายอะไรเขาได้ตามอาเภอใจเหมือนสมัยธาตุแทะนูน้นทาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวิธีการของสังคมที่ซ้อนซอนกันอยู่ในระบบขอความเป็นอยู่การดําเนินชีวิตจะตั้งแต่สังคมครอบครัวปไปจนกระทั่งถึงสังคมหมู่บ้าน จนกระทั่งหมู่บ้านใหญ่ที่เรียกกันโดยภาษาอย่างเมืองไทยเราเรียกจากหมู่บ้านมาเป็นจังหวัดจากจังหวัดท่ารวมตัวก็เป็นภาคจากภาคทึ่มารวมกันเป็นประเทศอะไรนี่ก็ตามก็เป็นเรื่องของสังคมโขลงของมนุษยชาติเสร็จแล้วก็จะต้องเรียนรู้ความจริงว่าคนเป็นคนโขลงหรือเป็นสัตว์โขลงเนี่ยจะต้องอยู่รวมกัน จะต้องอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็จะต้องอยู่กันให้เป็นสุขให้อบอุ่นจะเป็นสุขอย่างไรจะสามคัคคีหรือว่าเป็นสุขอย่างไรสงบอย่างไรก็เลยกลายเป็นภาระอย่างมากเลยของการบริหารประเทศบริหารกลุ่มบริหารตั้งแต่ครอบครัวทำอย่างไรครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข ทำอย่างไรหมู่บ้านหลายๆลยครอบครัวรวมกันเป็นหมู่บ้านจะเป็นสุขทำอย่างไรให้หลายๆหมู่บ้านรวมกันจนกระทั่งเป็นอำเภอจากอำเภอเป็นจังหวัดจังหวัดเป็นประเทศรวมกันอยู่เชื่อมโยงกันมีอะไรเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลเกี่ยวพันกันสัมพันธ์กันอย่างเป็นสุขก็เกิดเป็นระบบรัฐศาสตร์ขึ้นมา จากระบบรัฐศาสตร์มันก็มีการสัมพันธ์การตั้งแต่สมัยโบราณมันก็ไม่ได้ซื้อได้ขายไม่ได้ไปหวงใแหนอะไรของเขา้ามันเยอะวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติมันเยอะเพราะงั้นก็ไปเก็บออกจากธรรมชาติมันก็ไม่หมดเอามากินมาใช้เอามาอะไรๆก็ไม่หมดมันเหลือเพราะมากเข้ามีกิเลสมากเข้าโลภมากเข้ากรโกยมากเข้าใครมือยาวสาวได้สา ว, สาวเอากําหนดเอาไปเอามา มีระบบสมุรณาญาสิทธิทราชมีสมบทเป็นเจ้าข้า้าข อ, ของขึ้นมากําหนดใ น, น, นคนน น, คน น, นคนนี้เป็นนั้นถ้าพระเจ้าพแผ่นดินก็ไปของพระเจ้าพแผ่นดินหมดเลยแคว้นนี้ของข้ามหมดแล้วพระเจ้าพแผ่นดินก็แบ่งให้แก่อํามาต ร, ราชบริพานแบ่งแก่คนนั้นคนนี้ก็แบ่งเป็นสิทธิส่วนตัวก็เกิดรัติสิทธิขึ้นมาเกิดรัติสิทธิขึ้นมาก็เมื่อเกิดลัติสิทธิเกิดขึ้นมากิเลสก็เกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวของตนเองโลภโมโทสันกอบโกยมากขึ้นก็จึงเกิดการแย่งชิงเกิดการแย่งชิงเข้าก็เกิดการทุจริตเกิดเล่เหลี่ยมเกิดการโกหกเกิดการโกงหนักเข้าก็เกิดการทำร้ายกัน อย่างชิงกันทำรายกันพูดมาแล้วอาตมาก็เห็นว่ามันโง่มาตลอดสายเลยนี่คุณฟังแล้วคุณเห็นความโง่อของคนไหมเนี่ยตมาสาวไปตะต้นมาแล้วก็ไล่มาหาปัจจุบันนี่คุณเห็นไหมว่าคนมันโง่มาตลอดเลยแล้วทุกวันนี้คนที่โกงได้เก่งๆฉลาดเอาเปรียบเอารัดเขาได้เก่งๆยกย่องกันว่าหยยบ โลภได้มาเป็นของตนมากมากยกย่องว่าเยี่ยมคุณก็เห็นด้วยคุณก็เคยเห็นด้วยเห็นตามแม้คุณเดี๋ยวนี้คุณปฏิเสธว่าไม่เห็นตามแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนคุณก็เห็นตามใช่ไหมแต่ก่อนที่คุณจะมาฟังตรงนี้ คนก็เห็นตามอย่างนั้นเห็นว่าเอออย่างนั้นแหะคือคนวิเศษคนเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเมือ่อลัทธิสิทธิมันเกิดแล้วและเมื่อกิเลสความเห็นแกตตัวความเห็นแกตได้มันเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่เห็นความจริงว่าโอ้โลกมันไม่สงบเพราะไอ้ความโง่ตัวนี้น่ะไล่มาเรื่อยที่อาตมาไล่ต้นมามาจนถึงวันนี้ ท่านถึงย้อนกลับให้เห็นว่าโ ho คนทําไมเราถึงโง่และไปเข้าใจว่าโง่เป็นฉลาดอา่าถามตัวเองตอนนี้นั่งถามตัวเองกันทุกคนเลยว่าเรากําลังฉลาดหรือ ก, กําลังโง่ไอ้ที่มากเนี่ยอยู่ในหัวหัวเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยมันโงมม่มากหรือมันกําลังฉลาดมากมันเห็นแก่ได้มันเห็นแก่ตัวมันโลภโมโทสันมาไว้เป็นของตัวของตนมาก ทีนี <tang ar> ้เม <leer> ื่อโลบโมโทสันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวกิเลสเข้าตัวมากๆเนี่ยเสร็จแล้วก็หลอกกันสิหลอกกันมีวิธีการที่จะเปลี่ยนเอาจากของคนนั้นให้มาเข้ากระเป๋าของเราถ่ายกระเป๋ามาหาเราให้ได้มากๆก็มีวิธีหลอกไงหลอกให้คนหลง ทีนี้ไอ้เจ้ากิเลสนี่มันก็โง่ดักดานโง่เยอะโง่แยะเลยนะลองยังง้นก็เชื่อว่าโอ้ยนี่ดีไอ้นี่สุกได้ย่างงี้สุกได้ย่างงี้อร่อยได้ย่างงี้เพลิพลินได้ย่างงี้สนุกสนานได้ย่างงี้อะไรก็ไม่รู้เลยแต่เป็นคําที่แบบมันยินดีสรุปแล้วก็คือยินดีชื่นชอบลอให้ชื่นชอบจะปวดยังชื่นชอบเลย เจ็บปวดยังชื่นชอบเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยั่วเข้าไปยุเข้าไปหลงจนติดจนหลงได้แล้วก็เชื่อเขาก็เลยต้องอยากได้อย่างนี้มาได้สั ม, สมผัสกับตัวเองสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบกระแทกสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้อ่ะสุขเพลดิดเพลินอร่อยอรเลยเป็นสมมติติดกันไป มากมายจนมาทั้งถึงวันนี้มันมากจนไม่รู้จะปไปไล่ยังไงวัดไหวแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารเท่านี้แหละมันเป็นนับมาไม่รู้กี่หล้านล้านลลล้ลล้านล้า น, า น, า น, า น, านโอไม่รู้จะนับไปกี่ล้านนะหจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันไปถูกหลอกมาสารพัด ส, สารเพเสร็จแล้วเป็นไง เสแลก็มดลงว่าอิสระเสรีภาพคือฉันจะต้องได้เสพตามใจฉันไปติดมานี่แหละได้มารูปอย่างนี้สมใจฉันนี่คือฉันอิสระเสรีภาพไม่มีใครมากั้นได้ไม่มีใครมาห่วงห้ามได้ไม่มีใครมาต่อต้านได้ฉันได้ดังใจฉันต้องการคืออิสระเสรีภาพคาว่าอิสระเสรีภาพเ ล, เลวใหญ่เลยตอนนี้ ทำอะไรได้ตามใจกูนี่แหละอิสระเสรีภาพและไอ้ที่ตามใจกูนั่นคืออะไรกิเลสโง่ที่ไปติดยึดไว้อยู่ในคนล้าไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านหกล้านล้านล้านที่ไล่ไปเมื่อกี้ไงมีคนละกี่หล้านล้านล้านล่ะ แน่น่ะได้ตามใจข้าที่ข้าไปหลงอุปทานยึดติดเอาไว้ว่าอย่างเนี้ยได้สมใจข้านี่คืออิสระเสรีภาพตั้งแต่การไปจนตั้งถึงอัตตามานะตามใจฉันไม่รู้้าจะไม่ชอบมาพาคนยังไงกูจะเอาเหมือนหมาป่านะกูต้องได้หาเรื่องไปว่าก็เองผิดนะไอ้ลุกแกมันบอกไม่ผพด ฉันอยู่ใต้น้ําข้าจะกินน้ําเองมากลัวน้ําให้คุณลูกแกวป่าควรอยู่ใต้น้ำํำพ่อหมาป่าอยู่เหนือน้ำเลยก็กินไปสิไม่ได้กลัวนี่กลัวน้ํามันมาก่อนนอะหมาป่าจนแต้มเพราะมันจริงเองไม่ผิดพ่อเองก็ผิดนั่นเอาโน่นเลยพ่อหมาป่ามันจะเล่นลูกแกะท่าเดียว คืออำนาจบาดใหญ่ไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นอ่อเป็นอย่างนั้นและอิสราเสริภาพใหญ่จะต้องได้ตามใจข้าผิดถูกฉันไม่รู้สังคมเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยแล้วก็ชอบที่จะเอาอย่างกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จะเรียนอาตมาบอกว่าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทุกวันนี้คือแหล่งที่ทำลายสังคมไปบอกอ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ได้หรือไปบอกกัรัฐมนตรีธบวงมหาวิทยาลัยก็ได้ว่าสมณพโพธีรักบอกว่ามหาวิทยาลัยทุกวันนี้คือสถานที่เพราะคนมาทำลายสังคมไม่บอกได้เลยทำไมอาตมาพูดอย่างนั้นอาตมาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่า มหาวิทยาลัยใดๆก็ตามกระทรวงศึกษาธิการก็ตามสอนคนทุกวันนี้ไม่ไดสอนคนให้ลดละกิเลสความเห็นแก่ตัวที่จะมาบำเบล อ, อิสระเสรีภาพที่ตัวเองติดเนี่ยไม่เคยสอนสอนแต่วิชาการความรู้ให้คนเก่งให้คนรู้ให้คนสามารถอาตมาไม่เถียงตรงนี้สอนโรงเรียนจากโรงเรียนไปก็สอนให้มีให้คนนี่เก่งสามารถแล้วก็รู้มากๆเก่งกว่าคนที่ไม่ไดเรียน จบมหาวิทยาลัยก็จบมากเก่งรู้มีรู้มากมีเก่งมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนก็ได้เปรียบเขาเพราะไ ด, ได้เรียนมานี่จบใช่ไหมไดเ้เสร็จแล้วคนที่จบมหาวิทายาลัยหรือจบโรงเรียนต่างๆที่ได้ความรู้ได้ความสามารถมากเหล่านั้นเนี่ยไปทำมากๆรู้มากๆก็ไปช่วยเหลือคนอื่นมากๆให้คนอื่นได้มากๆ เพราะตัวเองน่ะได้มากอยู่แล้วเพราะเรียนรู้มามากก็ได้มากอยู่แล้วตัวเองก็เลยเผื่อแผ่คนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่เรียนจบออกมาแล้วเนี่ยไปทําอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรียนจบออกมามากๆรู้มากๆเก่งมากๆแล้วก็เลยไปทํามากๆแล้วก็โลภแลกเปลี่ยนซื้อขายเอาค่าแรงงาน เอาค่าความรู้ความสามารถหรือจะผลิตก็ผลิตออกไปแล้วก็ขายในราคาที่เกินทุนด้วยตามระบบทุนนิยมเอาคืนมาให้ตัวเองกลับคืนมามากกว่าเกา่าทำอย่างที่อาตมาว่านี่ใช่ไหมและคนเหล่านี้จบออกไปมันช่วยสังคมตรงไหนช่วยตรงไหน ช่วยว่าเขาสร้างอ่าสร้างไอ้นี่ออกมาเนี่เห็นไหมสร้างเสร็จแล้วนี่คนก็ได้เอานี้ไปใช้ไงคุณให้ฟรีหรือเปล่าคุณสร้างว่าคุณไปให้คนได้ใช้ไงแล้วคุณสร้างแล้วเสร็จคุณให้คนไปใช้นี่ใช้ฟรีหรือเปล่าคุณขายใช่ไหมขายแล้วเอาเกินทุนใช่ไหมขนาดคุณให้เขาไปแล้วคุณเอาแลกมาเท่าทุนเนี่ยคุณก็ยังไม่มีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมแล้วเพราะคุณเอาคืนมาหมดใช่ไหม และคุณขายเกินทุนแล้วคุณมีน้ำหน้าไปบอกว่าคุณเองคุณมีประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนตอบปฐตมาให้ได้หน่อยสิไม่มีเงินรางวัลแจกมันธรรมกายนะตอบ ป, ปัญหาที่นี่ตอบสินิประโยชน์ตรงไหนโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนสอนมั่งเหมือนโรงเรียนที่อโศกนี่สอนสอนไปรับใช้สังคมไปเอา ขาดทุนให้แก่สังคมไปผลิตมากๆก็ขายให้ถูกลงไปให้ฟรีได้ยิ่งต้องให้นั่นเลยเรามีคุณค่าต่อสังคมอาตมา ส, สอนอย่างนี้ผิดไหมแล้วก็ให้เขาเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วไปช่วยสังคมคุณจะเก่งก็เก่งสอนให้เก่งสอนให้มีความสามารถสอนให้มีความรู้ให้มีความขยันหมั่นเพียรสอนไปที่ไหนสอนก็ไม่ว่ากันอันนี้ส่งเสริมแต่สอนแล้วอย่าไป สร้างจิต ท, ที่เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวโลภโมโทสันและทุกคนยิ่งสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการศึกษาอย่างที่ว่านี่และทุกวันนี้ในระบบการศึกษาทุกแข่งไม่ได้สอนอย่างที่อาตมาว่าสอนก็สอนอย่างที่อาตมาว่านะว่าว่าว่าไม่ดีอะ่ะว่าที่มันไปทำลายสังคมอะ่ะและคุณจะพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างไร ไปบอกนะไปบอกรัฐมนตรีทะบวงใครที่รู้จักไปบอกเลยไปบอกด้วยไปบอกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้วยบอกถึงนายกชวนก็ได้ว่ามันฉิบหายกันใหญ่แล้วทุกวันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่พยายามที่จะทำอย่างไรครูบาอาจารย์จะสอนคนให้เป็นอย่างนั้นและตัวครูบาอาจารย์ต้องเป็นก่อน ที่นี่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้มักน้อยสันโดษให้เป็นคนทํางานเสียสละครูบาอาจารย์ไม่เอาเงินเอาทองก็ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็กําลังจะมาเล่นงาน <c oughs> บอกว่าทําอะไรประหลาดพิเลนกับเขาไม่มีเงินเดือนไม่ได้ต้องมาขับให้ใหเงินเดือนต้องเอาเงินไปสมทบเข้ากระทรวง บอกเราไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้เก็บเงินจากนักเรียนไม่ได้ต้องมีผิดกฎหมายผิดกฎต้องเอาไปจ่ายนี่ต้องสู้กันอยู่ตรงนี้ครูจะเป็นตัวอย่างเจนเด็กก็จะมาบางังคับให้เด็กต้องให้ครูก็จะต้องเป็นตัวอย่างต้องเอาคือมันมันมันเปิดกลับตะละัดหมดแล้วสังคมทุกวันนี้นี่ความเลวมันมาความไม่ถูกต้องระบบวิธีพฤติกรรมของมนุษย์ มันเป็นพฤติกรรมที่ซ้อนกลับตรลปัดมาไปเป็นพฤติกรรมเลวแต่เขาเข้าใจว่าพฤติกรรมคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นกันหมดเนี่ยทั้งนั้นคนทุกทั้งนั้นก็เลวหมดสิอัตมาตอบตรงๆไหมก็เลวหมดจริงๆอ่ะก็มไม่ใช่ตัวอย่างดีมันเป็นตัวอย่างเอาเปรียบเอารัดเป็นตัวอย่างเป็นาธาตุกิเลสนะเพราะฉะนั้นมันต้องมาแก้กลับม่นต้องมาแก้กลับ แกให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามจริงๆคนจํานวนน้อยเหลือเกินแล้วไม่มีปากเสียงแล้วโดนพวกใหญ่นี่ดึงอํานาจไว้หมดคล้องอํานาจไว้หมดแล้วก็มาเล่นงานพวกที่ส่วนน้อยที่จะทําดีนี่ทำไม่ได้ทําก็ต้องล้มต้องล้านต้องเปลี่ยนแปลงไปให้เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านว่าน่ะหมาหางด้วนนะก็เลยจะต้องมาหลอกมาลอ่อมมาบังคับคนอื่นตัดหางด้วนเหมือนตัวเองหมดเลย ตัวเองหางด้วยไม่เส็แล้วเพราะโง่ก็ให้ตัวคนอื่นมาโง่เหมือนตัวเองสังคมมันก็ไปไม่รอดนี่คือภาวะที่เป็นอยู่จริงของสังคมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ลําบากในการที่จะแก้ไขปรับปรุงมาฟังอาตมาพูดอาตมาก็ว่าอต า, าอตมาก็พูดไปเงี้ยแล้วก็หาว่าอาตมาเนี่ปากจัดไประเทศเดินดา่าคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้เขาเลว ตัวเองดีอยู่คนเดียวยกตนข่มท่านอะไรว่าไปเรื่อยอาตมาก็โดนเขาว่าเขาอย่างเงี้ยเป็นคนที่จะว่าเขาว่าตัวเองดีงงนอย่างงี้อาตมาก็ว่าจะว่าดีหรือไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ปากพูดนะมันอยู่ที่ว่ามันความจริงนี่ต้องมาใช้ปัญญาไตรตรองเห็นความจริงว่าอะไรมันถูกต้องกันแน่อะไรมันดีจริงกันแน่ทุกวันนี้อาตมาทํางานมา สังคมชาวโสก็พยายามพัฒนาปรับปรุงมาจนเขากกต้องเกิดเป็นชุมชนเกิดเป็นหมู่กรงเกิดเป็นการอยู่เนี่ยอาตมาถามย้ำกับพวกเราอยู่เรื่อยรอประชุมรวมกันก็ถามว่าถ้าเผ่าพวกเราเนี่นะเป็นอยู่อย่างที่เราพวกเราเป็นกันเนี่ยมีสาธารณโพคีอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระเถรปดกอาตมาพาธรรมาก่อนพอมาเจอพระเิรปดกนี่อาตมาก็ยิ่งชื่นใจเออพระพุทธเจ้าทกงตรัสเอาไว้นะท่านทำเหมือนลายแทง ทำไว้ในปฏิเต็ตัวบอกแล้วว่ายุคพระพุทธเจ้ามันทําไม่ได้หรอกยุคสมุรณาญาสิทธิราชยุคสังคมธาตยุคสิทธิมนุษยชนก็ยังเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้สมัยก่อนนนะ่ะเพราะฉะนั้นสังคมจะบริหารปกครองจะเป็นอยู่อย่างวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้นะ่ะมันเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จำนนฉันทําไม่ได้ถ้าจะทําอย่างที่อาตม า, ม า, ม, ามาพาทำเนี่ยท่านทำไม่ได้หรอก ทำไม่ได้จริงๆมันทั่วโลกเลยมันเป็นอย่างนั้นหมดแต่ทุกวันนี้คนเข้าใจแล้วทั่วโลกมีอิสระเสรีภาพกันเข้าใจเสรีภาพกันมากเข้าใจสิทธินมนุษยชนขึ้นมากะระบบที่จะมากดขี่ข่มเหงกันอะไรๆต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบกันแล้วระบบของความเป็นจริงว่าถ้าเผื่อว่าใครจะเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลมากน้อยสันโดษได้มันเป็นความดีงามที่ถูกต้องคนก็มีปัญญาเข้าใจแล้ว เพราะฉะนั้นอาตมาจึงเอามาทํายุคนี้ได้ต่างกับยุคพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่านี่มาทําต่างยุคพุทธเจ้ายืนยันว่าต่างพอยุคสมัยพุทธเจ้าทําไม่ได้อย่างนี้เรายุคนี้เร า, เามาพิสูจน์แล้วข้อสําคัญเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยมันดีไหมมันดีไหมท่านน่ะเออมาอยู่รวมกันนี่เป็นสังคมกลุ่มที่อาตมาเกิดมาแล้วว่าเป็นมนุษย์มนุษย์โคลง คนนี้เป็นสัตว์โคลงเป็นมนุษย์อยู่รวมกันเมื่ออยู่รวมกันเป็นครอบครัวครอบครัวก็ตามหมู่บ้านก็ตามประสานกันทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอจังหวัดเนี่ยตอนนี้มันยังอธิบายไปถึงอำเภอจังหวัดอะไรที่จะเชื่อมโยงกันติดต่อกันสนิทเป็นผืนมีวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันไปยังไม่ได้ ท, ที่ชาวอาโศกเราทำนี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็กําลังกําลังจะค่อยๆขยายไปแต่ตอนนี้แค่นี่แหละหมู่กลุม่มชุมชนครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ แม้ครอบครัวใหญ่ี่ก็ซ้อนอยู่มีครอบครัวย่อยซ้อนอยู่ในครอบครัวใหญ่ครอบครัวย่อยที่เป็นส่วนตัวบ้างส่วนใครที่ไม่ต้องมีส่วนตัวเลยได้เยี่ยมกว่านะคนที่ไม่ต้องมีส่วนตัวเลยอยู่กับส่วนกลางมีสาธาระนาผองขีมีส่วนกลางกินใช้ทำงานรอะไรก็มารวมไว้ในส่วนกลางนี่แหละเราทำได้มากเอารวมก็ไปมากเราเองเรายิ่งเป็นคนที่ไม่ต้องเปลืองมาก กินน้อยใช้น้อยไม่ต้องไปพลานพลาอะไรมากมายใช้จ่ายน้อยไม่ต้องมีของสนต้นส่วนตัวอะไรเป็นคนประหยัดมัธยัติเป็นคนสุขุมประณีตไม่ต้องเปลืองแต่มีแต่สร้างได้มากมีอะไรได้มากๆสร้างขึ้นมากๆแล้วก็รวมกองกลางคนที่จัดสรรกองกลางก็มีเจ้าหน้าที่คนนั้นทํานี้คนนี้ทำหน้ท า, นาที่อะไรก็แบ่งกันไปเสร็จแล้วก็มีมากก็เกลี้ยจานแจกจา่จายคนอื่นไปไม่ต้องกักตุนไม่ต้องสะสม ขอโกยอะไรเนี่ยอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้ก็เป็น1ิสิบปีแล้วพอเราเชาวโซมีระบบอย่างนี้ขึ้นมากันก็ค่อยๆแน่นขึ้นมาเรื่อยๆๆกินอยู่กันไปอย่างเงี้ยเป็นอยู่างงี้ไปมันดีไหมเท่า น, นั้นเองพฤติกรรมอย่างนี้ของสังคมของมนุษยชาติบางคน ก, ก็มองว่ามันไม่ดีนะ แต่อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าไม่ดีเหตุผลของเขาเป็นยังไงบ้างไม่ดีก็เพราะว่าเขาเองเขาไม่มีส่วนตัวเขามากก็คงจะใช่เนอะเขาอยากจะหยิบจะจับใช้อะไรบอกอิสระเสรีภาพคือฉันจะใช้ได้ตามใจฉันฉันอยากจะซื้อจะขายอยากจะกินอยากจะไปนน่นมานี่อยากจะใช้จ่ายโน่นโน่นนี่อะไรจะเอาเงินฟาดหัวใครก็ได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทําไม่ได้เหมือนกแต่ก่อนนี่สิไม่ใช่ไหมเหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนอย่างนี้ ไอ้อย่างนี้มันเอาไปทำไม่ได้และจริงๆคนที่มาปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่คิดจะไปทำาะถึงจะมายอมเอามารวมส่วนกลางตัวเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาอะไรมาบำเรลอตนอะไรแน่ใจแล้วว่าเอออย่างนี้ก็ดีแล้วก็ทำไปสิขยันมันเพียรเราก็เป็นคนมีคุณค่าเพราะงั้นเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนที่มีคุณค่ามีความสามารถมีความรู้สร้างสรรได้ใครมีความถนัดถนอะไรก็ทาไป อะไรก็เป็นของส่วนกลางของใช้ก็เป็นของส่วนกลางของกินก็เป็นของส่วนกลางต่างคนต่างช่วยกันอาคนนั้นจะใช้จะทำอะไรกับว่าไปอขาดแคละน ะ, ละยักอัตมานี่นะ่ะอขาดแคละน ะ, ละยักอตมนี่นะ่ะอยากจะใช้อะไรเห็นแต่เอ่ยปา่าเรอยากจะใช้ด้วยนี่ คนก็หามาให้เขาก็จะหามาให้จริงๆไม่ต้องไปออกปากยากเพราะเขาเชื่อว่าอาตมาเอามาเนี่ยอาตมาไม่ได้เอามายึดเป็นของส่วนตัวนอกจากไม่ยึดเป็นของส่วนตัวแล้วอาตมาก็ไม่เอามาใช้งานเพื่อบำเรอตัวเองเพื่อได้อะไรมาเป็นของตัวเองซ่อนๆลงไปอีกทีนึงก็ไม่ใช่ ถ้าเอามาก็เพื่อเอามาใช้เป็นของส่วนกลางเป็นของส่วนรวมเป็นประโยชน์เพื่อมวลมหาชนเหมือนนาบุญวานข้าวลงไปเม็ดหนึ่งแล้ว ง, งอกไปอีกโยไปให้เป็นประโยชน์แก่ใค ร, ใครต่ใครอีกมากมา ย, ายได้องนเหมือนนาบุญเขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่งงตรงที่ว่าอาตมาก็ไม่ต้องไปเอาอะไรมามากอยากได้อะไรหรือไปเห็นอะไรจำเป็นที่ต้องการที่จะใช้ก็บอกเขาก็เอามาใช้ มันมากมันเกินก็แจกออกไปแจกอะไรไม่หอบไว้มากๆเพราะหอบไว้มากๆแล้วมันรกแต่ก่อนนี้เคยนึกเหมือนกันเคยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเรามีอะไรเยอะๆโอ้โห้านเราก็หลังโตของเราก็เยอะไอ้นั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนี้โอ้โหนี่มันมีอัตตนิยาของของกอูมันมีอัตตาตัวกู อันกับของของเราอันนี้ก็บของของเราอันนี้กัของเรานี่มันเยอะมันรู้สึกภาคภูมิโอเรามีมากเรามีใหญ่นอกจากนี้แล้วยังมีที่ดินอยู่นอกระดที่ของเราที่โน่นกัที่ของเรามาทามันได้ไปทั่วโลกทั่วประเทศเลยมันก็ยิ่งม่ามันใหญ่เนอะก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก่อนนี้ก็เคยเข้าใจว่าอย่างนั้นนเป็นสิ่งวิเศษของมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้ว มันจะเป็นของกูของเกอไราตายไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่นี่หมดนะแต่ตอนนี้สิถ้าเราปทไปทยึดเงินอย่างงี้อย่งางี้เงินเป็นของเราคนอื่นเขาก็ไม่มีเขาาก็เกิดขาดแคลนขึ้นเพราะขาดแคลนขึ้นเก็ทำไงเขาก็แย่งก็ปล้นเขาปล้นใครปล้นใครปล้นเจ้าของคนที่ไปยึดว่าเป็นของของใครเขาไปปล้นขอ ง, ของคนนั้นพอเวลาเขาปล้นแล้ว เขาทำร้ายเขาก็ต้องทำร้ายเจ้าของเวลาเขาฆ่าเขาฆ่าเจ้าของเพราะฉะนั้นแต่ใครยึดไว้มากๆหอบไว้มากๆก็มีสิทธิ์ที่จะตายก่อนได้เพราะมันมีของมากคนเขก็จะมาฆ่าเจ้าของมากก่อนไมเป็นไรมีเงินมากจ้างราปอปพอคุมกันเยอะๆมันมีทางแก้ตัวแบบนี้ไปอีกเยอะ ป้องกันก็เลยยุ่มย่ามไปด้วยเลยกลายเป็นระบบของสังคมแบบนี้สังคมแบบต้องมีครัวคนคุ้มกันต้องมีคนรักษาต้องมีปืนมีผ่าต้องมีอะไรอะไรขึ้นมาเยอะแย ะ, ยะมากมายมันก็เลยกลายเป็นสังคมแบบสังคมแบบนี้ขึ้นมาหมดเลยทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นสังคมอย่างกลับกันอย่างนี้ต่างคนต่างเข้าใจเลยต่างคนต่างเห็นความเบาความว่างความง่ายไม่ต้องมาเป็นเจ้าของทุกอันเป็นของส่วนกลาง ถ้าเราจําเป็นอะไรจะใช้ก็ใช้ถ้าเราไม่จําเป็นก็ให้คนอื่นไปใช้ใช้หมดแล้วก็ไปเป็นไร่สร้างขึ้ น, นมาใหม่เราเองก็มีความรู้ความฉลาดเพราะเราเองเราไม่เคยหยุดยั้งในการสร้างสรรค์และฝึกปรือขยันมันเพียงสร้างสรรค์สมรรถนะจะต้องเจริญอยู่เรื่อยๆแหละมีความรู้อะไรตามก็ได้ก็ตามรุดได้ก่อนเขาก็เอา้าถ้ามันจะฉลาดมันจะเชี่ยวชาญชํานาญเก่งของเขาได้ก็ทํำสิฉะนั้นก็สร้างขึ้นมาใช้มาสอย จริงๆแล้วก็สําคัญถ้าคนเรามันไม่ตะกะตะกรามโรคโมโทสันไปมากมายเสร็จแล้วมาผลาญพราดทาลายเล่นนะมันจะเหลือธรรมชาตินี่มันสร้างอะไรอะายขึ้นมาพลังงานของธรรมชาตินนา เ, นนานเนี่ยมันสร้างเกินกว่าคนสร้างนะจริงๆนี่ยมันสร้างเกินกว่าคนสร้างแต่คนนี่สิมันโอ้โหมันคิดร้ายคิดเลวคนเอาไปสร้างจริงๆเนี่เอาคนไปทลายในทลายไม่ได้ทันธรรมชาติหรอกแต่คนไปคิด เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องกลคิดนั่นคิดนี่คิดพลังงานอะไรขึ้นมาให้คุณเอามือไปกระเทาะภูเขาเนี่ยให้มันภูเขามันทลายลงมานี่จ้างคุณก็ทลายภูเขาไม่หมดก่อนที่ภูเขามันจะพัฒนาเกิดขึ้นมาทันมันจะทลายไม่ทันหรอกแต่คุณก็เล่นพลังงานระเบิดตูมเดียวภูเขาพังหมดเลยคุณเอาแบกโคคุณเอาเครื่องมือเครื่องกลอะไรไปขุดไป ทั้ปลายเลยมันก็ชนะธรรมชาติสิเข้าใจไหมมันก็ไปนชนะธรรมชาติแต่ต่อให้คนมือกับมือเนี่ยคุณจะไปเอาอาวุธอื่นมานะมือกับมือกับธรรมชาติคุณสู้ธรรมชาติไม่ได้อะไคุณทำลาย ส, สู้มันไม่ได้แต่คนนี่เลวจัดกว่าไปคิดอะไรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอะไรมาทําลายมันมากกว่ามันเลยหมดจนกระทั่ง โลกมันยาวนานมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วภูเขาก็ถูกทลายทะเลก็ถูกถมไอพื้นเรียบๆรา บ, บๆก็ถูกกอ่ออะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยในยมันนี่ในกรุงเทพนี่ไม่รู้สะพงสะพานไม่รู้ตึกรามไม่รู้ไอ ห, หนึน ง, งองหยิ่งกับเนื้อ ง, งอกอะไรไม่รู้โผ นี่ถ้าเป็นคนมันคงตายไปนานแล้วเพราเนื้อ ง, งอกทั้งหลายแหล่นี้นะโรคมันเกิดเนื้อ ง, งอกโรคมันเกิดเนื้อ ง, งอกอยู่ที่นี่ไม่รู้กี่โรคเนื้อ ง, งอกชนิดไหนมั่งเงไม่รู้นี่มันงอกนี่เนี่ยหมออะไรก็รักษาไม่หายเนี่ยพอมันผิดหมดเลยระบบธรรมชาติมันก็ผิดหมดลมพัดมานี่ก็ผิดละเพราะลมก็หลงทิศ มันพัดมันไม่ถูกทางมันแล้วมันเคยเดินอย่างงี้นะเส้นทางมันไปอย่างนี้ไอ้นี่มันงอกขึ้นมาบางบางบางบงลมมาเฮ้ยไปทางไหนเว้ยลมพัดมาถูกตึกใหญ่นี้ถูกตรงนี้เอ้าซัดจากตึกนี้ไปสู่ตึกโ น, น้นซัดถ ก, กเฮ้ยไปทางไหนเว้ยลมเมาหมดเลยน้ำตกลงมาจากฟ้าลงมาปั๊บ แต่ก่อนก็มีทิศทางไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ลุ่มจากนั่นก็ลงน้ำลงทะเลลงแม่น้ำผูกอะไรไปมันก็ลงไปถูกทิศ ท, ทางมันตอนนี้ทุกวันนี้ฝนฟ้ า, ฟาตกลงมาน้าลงมาไปไหนไม่รู้ไปนะเว้ยหมดไม่มีทางไปแล้วไม่มีแม่น้าอยู่ไหนมันยังไม่รู้เรื่องเลยน้ำมันไหลไม่ถูกทิศเลย ทางออกไปอยู่สู่แม่น้ำไม่ทีมันควรจะไปอยู่ไหนมันไม่รู้น้ำก็หลงทิศลมก็หลงทิศฝนฟ้าหลงทิศหลงทางหมดนี่ไม่ใช่อัตมาพูดเล่นเป็นเรื่องสัจจะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันโรคมะเร็งโรคเนื้อ ง, งอกเนื้อ ง, งอกจริงๆเลยมันทำให้ทุกอย่างนี่มันเสียหายอาะไรๆไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะว่าเราจะอยู่อย่างไร สรุปแล้วก็คือสังคมเราเนี่ยเป็นสัตว์โคลงอยู่ได้กันอย่างที่ต้องรู้สัจจะว่าจิตของคนเนี่ยมันโง่มันเป็นมีกิเลสแล้วไปเอากิเลสมายึดมาติดมาฝังไว้จนกระทั่งเห็นผิดผิดเข้าใจผิดอย่างที่อาตมาพูดมาแล้วหลายอันนึกว่าเราฉลาดแต่ที่แท้เราโง่นึกว่าเราคิดถูกแต่ที่แท้คิดผิด เพราะฉะนั้นแก้กลับเสียแก้กลับแต่อย่ารีบผีแผามเกินไปละ่ะไปถึงก็เทเลยเลิกเลยเอาแล้วพังนู่นพังนี่อะไรอะไรเลิกเลอะไปเลยไม่ได้ก็ค่อยผ่อนมาปลดปล่อยมาเมื่อปลดปล่อยมาได้แล้วถึงจะรู้ว่าโอ้ชีวิตนี่มันไม่ต้องติดต้องยึดอะไรเนี่ยมันเบามันว่างมันง่ายและมันมีคุณค่าประโยชน์สาคัญมันมีคุณค่าประโยชน์ เพราะว่าเรายิ่งไม่เอาอะไรมาเป็นเรามาเป็นของเราเนี่ยเรื่เราลดละของเราไม่ติตไม่ยึดอะไรมากมายเราไม่ต้องไปเปลืองอะไรมากจะต้องไปสนุกไอ้นูนจะต้องไปเพลิดเพลินนี่จะต้องไปจ่ายค่ายนู่นค่ายนี่ค่ายอะไรต่างๆมันก็ไม่ต้องแล้วแล้วมันลึกซึ้งไปจนกระทั่ทงพระพุทธเจ้าสอนเราจะถึงที่สุดถึงปรินิพานถึงขั้นเป็นอรหันต์หมดเนื้อหมดตัวมันยิ่งวิเศษใหญ่เลยเป็นหลักประกันได้แล้ว เราก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมนี้มีอิสระเสรีภาพเต็มที่เพราะเราอิสระเสรีภาพนี้คือมีจิตปัญญาที่ซื่อสัตย์หมดอคติไม่มีตัวที่จะต้องมาบำเรอตัวนั่นแหละอิสระเสรีภาพตัวจะทำอะไรทำได้ตามปัญญา ทำได้ใช้ปัญญาเห็นอะไรเหมาะสมทำไปไม่มีลำเอียงไม่มีการอคติไม่เห็นแก่ตัวทำเพราะว่าเรารักทำเพราะว่าเราชังทำเพราะว่าเราเองยังหลงทำเพราะว่าเรายังกลัวพยาคติโทสะไอชันทาคติโทสาคติโมหคติอะไรมันไม่มีอคติอะไรมันก็ทำตามสิ่งที่จรงิงสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจัดสรรไปเท่าที่เรามีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถ และเราก็รู้ความจริงได้ปัญญาถ้าเรามีแรงมีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถอยู่ทําได้อยู่ทําไปสร้างสรรค์ไปมันก็เป็นประโยชน์คุณค่าอยู่ตลอดเวลาเรายิ่งไม่เอาเรายิ่งเป็นคุณค่าเรายิ่งเอาเรายิ่งหมดคุณค่ายิ่งแลกกลับคืนมาเกินความจริงเกินสิ่งที่เป็นค่าจริงเรายิ่งไปเป็นหนี้มันไม่มีใครจดว่าเป็นหนี้เราแต่หนี้แห่งสัจจะหนี้เวรหนี้กรรมหนี้วิบาก เชื่อก็ตามไม่เชื่ออย่าลบหลู่กัาแล้วกันมันก็เท่านั้นเองอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหสุดยอดแห่งพระพุทธเจ้าสอนนี่มันมีอย่างนี้แล้วก็พากันมาทําพากันมาอบรมประพฤติแล้วก็พิสูจน์กันไปพกคุณมาฟังนี่คุณก็ไปปฏิบัติกันแล้วกันลดละให้จริงเห็นความจริงให้จริงแล้วว่าคิดนี่ถูกทางเกิดมาชีวิตไม่มีอะไรหลอกกินแค่ที่ให้มัน อาตมาอธิบายลึกไปทุกวันนี้อธิบายทั้งกระทั่งแม้กระทั่งหมดอัศทะหมดรสอร่อยอร่อยทั้งตาก็ตามหูจมูกลินกายแม้แต่รสทางลิ้นที่กินอร่อยทั้งอาหารรสอะไรเนี่ยคุณไปเรียนรู้ว่ารสมันคือรสรสของจริงคือรสของจริงแต่อารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบที่ผสมอยู่ในของจริงนั้นมันเป็นกิเลส <c oughs> มันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานอีกอันหนึง่ง อันนั้นแหละเรียนรู้แล้วลดมันให้ได้ลดจนหมดแล้วคุณก็จะจบคนไม่มีรถอร่อยเลยเป็นคนยังไงมันคงจะเป็นคนเหี่ยวเหียวไม่สดชื่นอะไรก็ไม่อร่อยของคนจะจืดเฉยเฉยไม่รู้ทื่อย่าเดาพระพุทธเจา้าเป็นคนหมดรถอร่อยหรือยังถามหน่อย หมดยังคุณต้องเชื่อว่าหมดแน่นอนแม้คุณจะไม่เห็นแต่ท่านเป็นคนยังไงท่านบอกว่าท่านเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรผู้เบิกบานร่าเริงเมื่อเห็นแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เหี่ยวผู้จุดจุดชุดชุด ไม่เห็นว่าแปลว่าพุทธะว่าผู้รู้พูดตื่นผู้เผู้เหียวเหียวจุดจุดชุดชไม่เห็นแปลว่าอย่างนั้นเลยเอาละคุณไม่เห็นพระพุทธเจ้าคุณอาจจะเชื่อว่าอาตมานี่รสได้จริงไหมอาตมารสว่าอาตมาบอกกับคุณอวดอุตตริมนุสธรรมอาตมารสได้จริงอาตมาก็เคยรู้รสอร่อยแบบโลกี้ สนุกสนานแบบโลกียตมาก็รู้แล้วลดลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กะดีกระดาจริงๆวางเฉยมันอุเบกขาหรืออทุกขมสุขไม่ได้สุขได้ทุกข์เพราะอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วดูสิว่าอาตมาเนี่ยนะมันจืดจืดชืดชืดมันเหี่ยวเหียวมันเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะฮะอาตมาว่าไม่เป็นนะ มันไม่เป็นหรอกมันไม่ใช่ยันเดาเพระเาะฉะนั้นที่บอกว่าคนเราเนี่ยมันกลัวตายถ้าเผื่ว่าหมดรถอร่อยหมดรถเพลิดเพลินหมดรถสนุกสนานแล้วมันจะเป็นยังไงวะไม่สวยไม่งามไม่ไพเราะไม่หอมไม่อร่อยไม่อะไรหล่ะต่างๆนานาสัมผัสแตะต้องแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มันคงยังไงมันไม่ยิ่งร้ายกว่าก้อนหินหรือนะ เดาไปนะไม่ใช่หรอกคนมันก็เบิกบานร่าเริงมันยิ่งเบิกบานร่าเริงเพราะว่ามันไม่มีหัวมันไม่มีภาระมันไม่มีอะไรที่จะกดดันมันมีมีอะไรโอ้โหนี่ 5, หโมงยี่สิแล้วเรเทศนไปเทศนมาลืมดูนาฬิกานะไม่ทักพวกคุณอยากจะหยุดกินข้าวก็ไม่บอก ห้ามงยีแล้วมันมากไปแล้วนะอ้าเอาละลงย่อจบ durable. มันไม่ใช่อย่างที่เป็นอย่างที่ว่ามันไม่มันเบิกบานร่าเริงมันสบายมันไม่มีภาระอย่างที่ว่ามันไม่มีทุกมันไม่มีอะไรที่มันกระตุ้นว่าจ ะ, จะต้องถูกบังคับอย่างนู้นี้มันอิสระเสรีภาพแล้วมันก็เห็นทุกๆคนนี่เป็นเพื่อนทุกอย่างที่พระเจ้าท่านว่าทุกคนเป็นเพื่อนทุ ก, ทนะทกเป็นเพื่อ น, น, เ, น, เ, อนเออเห็นหน่าสงสารนคน น, น, ค น, นั้นทุกอย่างนั้นคนนั้นทุกอย่างนี้ช่วยกันแล้วก็มีน้ําใจมีน้ําใจที่จะช่วย ช่วยเออช่วยเขาเถอะถึงที่ยังไงคนเราเกิดมาก็ตายไม่ช่วยเราไม่ช่วยเขาเราก็ตายเราช่วยเขาได้ก็ช่วยสี่ช่วยไปเมื่อยก็พักช่วยแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่ต้องการของแลกเปลี่ยนแล้วนี่ช่วยแล้วจะต้องได้เงินตอบแทนเราก็ไม่ได้ต้องการแล้วนี่ก็ช่วยไปสิช่วยไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปสิก็เราไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นมันสบายสบายมันไม่มีอะไรมาบังคับมันไม่มีอะไรมากําหนด อมันสบมทบดปกระตอหหจจมชยลลตอนท้ายแปลไม่ออกอจจก็จริงจ้ามชไม่เชื่อยลลก็อย่าลบหลู่ไงมชยลลไม่เชื่อก็อย่าลบหลูอ มันสบายจริงเพราะงั้นอาตมาที่บอกว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นนโอ้โ ห, โหมันสุดยอดคนจริงๆเลยอยากจะให้บ้านเมืองมาเป็นอย่างนี้อยากจะให้คนในสังคมในโลกนี้มาเป็นอย่างนี้ถ้ามาเป็นอย่างนี้ได้แล้วมันก็สุขอาตมาว่าอาตมาสุขขนาดนี้แต่ละคนแต่ละคนท่านมาท่านก็นมาพยายามพัฒนาให้มาเป็นสุขอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆมันคงจะค่อยๆโตขึ้นไปมันไม่ง่ายอาตมารู้เหมือนกัน เพรกิเลสนี่มันยิ่งกว่าแม่เหล็กชนิดเอกเหนียวจริงๆดูดจริงๆนี่แหละคือพลังงานโลกฟิสิกส์ที่มีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ากิเลสนี่คือแม่เหล็กตัวร้ายที่จะจะทําอย่างไรคุณจะแก้ไอโมเลกุลของแม่เหล็กตัวนี้ของตัวเองนี่ให้มันสะเทือนให้มันมหมดริบดูดผลักได้ คุณก็ไปทําไปจัดการมันก็นแล้วกันจัดการมันเสร็จคุณก็ซบมมทบดปกตหหออ่ะเอวังพูดไปพูดมาเกือบจะครึ่งห้าโมงเกือบครึ่งแล้วทั้งทที่หมอบอกว่าจะต้องเทศน้อยๆนะเนี่ยเนี่ยปัจฉาก็ไม่รู้จะว่าไงเดี๋ยวไปฟ้องหมอต่อเนี่ยเทศน้อยๆ อ, อย่าเทยเกินชั่วโมง